สำหรับเรื่องมหาสติปัฏฐานนสูตร <c oughs> ที่จะพูดกันวันนี้แต่ก่อนที่จะพูดกันเรื่องของพระกรรมฐานหรือมหาสติปัฏฐานนสูตรเราก็น่าจะมาซ้อนกำลังใจขบันดาท่านหลายดูสักนิษจะดีไหมว่มาวันนี้ในาบารมีสิบรายการมัน ควบคุมที่ควบคุมกำลังใจของท่านหรือว่าท่านควบคุมกำลังในบารมีสิประการมีอะไรบกพร่องบ้างคือหนึ่งทางการให้จิตคิดไวเสมอหรือเปล่าบารมีนี่ประวัติเต็มคืออารมณ์ในการให้ทานเต็มรอบเต็มเปลี่ยมไหมอารมณ์ในการน่าสาสิงครารถทวนเต็มเปลี่ยมไหม อารมณ์ในการารัาษาเนคขมะบรมีคือคมอารมณ์จากนิวรหา้าสมบูรณ์บริบูรณ์ไหมปัญญาสำหรับจะวิจัยขันหา้าครบถ้วนไหมวิทยะความเพียรต่อสูอส้ต่อประสบมีครบถ้วนหวรือเปล่าขันติขันติความอดทนต่ออารมณ์ที่ไม่ไม่พึงปรา น, นาครบถ้วนไหม สัต์จะอารมณ์ได้ทรงความจริงไว้มันทรงได้จริงๆริงหรือเปล่า ว, ว่าเราเป็นพระอดิฐานในบา ร, รมีกําลังใจส่วนนี้มันส่งไว้เต็มไหมเมตตาบา ร, รมีอุเบกขาบา ร, รมีครบถ้วนหรือเปล่านี่เป็นอันว่าบา ร, รมีสิบราการนี้ท่าน allay ต้องเป็นผู้ทรงกําลังให้ครบถ้วนอยู่ตลอดเวลา <c oughs> แล้วก็ส้มเราเข้าไว้ว่าถ้าเวลาไหนอะไรก็ตามถ้าบทพล่องนิดเดียวเราจะต้องบรร น, นามตนเราทันทีว่ามันเลวเกินไปสำหรับผ้ากาสาวพัดแล้วก็กำลังใจขบันดาท่านพุทธบริษัทครบถ้วนในจรณะสิบห้าหรือเปล่ามีพระวิหารสี่ครบถ้วนไหมแล้วก็มีที่บาทสี่ครบถ้วนไหม ในเรื่องนี้ทั้งหมดต้องทบทวนกำลังใจไว้ตลอดเวลาอย่าให้กิเลสทั้งหลายมันเป็นเจ้าพอใจของเราเย่าลืมอย่าลื ม, อ ย, ลมอย่าบวช้าไมาเสียเปเหลืองจะเป็นคนศิษย์แล้วก็เปลืองพลาย <c oughs> อยู่ในสภาวะเช่นใดต้อง่ซนสภาวะเช่นนั้นให้ครบถ้วน นิพพานัสะสจิกิริยายะเอตังกาสาวังระเหตุวา <c oughs> คำปรารฏว่าเรารับข้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งเสียงพนิพพานถีเ่เมือนดาพระทั้งหลายที่จะบวชแบบเอสาหังก็บอกว่าเขาไม่ใช่แล้วแต่ฝ่ายมหานิกายเขายังใช้อยู่ เจอเราอย่างไหนก็ตามเราต้องรู้ว่าเราบวชมาเพื่อหวังผนิผ่านไม่ใช่บวชตามประเพณี <c oughs> ถ้าบวชตามประเพณีมีหวังลงนรกเพราะว่าถ้าบวชตามประเพณีก็ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างความดีสัากาแต่ว่าบวชเพื่อหลงห่มกายเท่านั้น ราะว่าพระสารีบุตรเคยแนะนําบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายว่าถ้าใครว่ถามท่านว่าบวตในพุทธศาสนาเพื่อประสงค์อะไรพระสงฆ์ทัานหลายตอบไม่ได้ท่านบอกว่าจงตอบว่าอย่างนี้คือราบทเพื่อความดับไม่มีเชื้อหมายความว่าดับกิเลสคือความชั่วในอรมจิตทั้งหมดไม่เหลืออยู่เลย อารมณ์นี้ต้องมีอยู่ในบรรดาจิตในจิตของวรรดาท่านางหลายตลอดเวลา <c oughs> จงอย่าเป็นผูเ้เผอแล้วก็จงอย่าตอบว่าอะไรผมไม่รู้ถ้าตอบอย่างนี้ไม่ได้พระเขาไม่ตอบกันอาบัติต้องด้วยไม่รู้ก็มีอยู่ต้องด้วยสงสัยก็มีอยู่รู้หรือไม่รู้ก็เป็นอาบัต ถ้า ใ, ใช้คําว่าไม่รู้ก็เร็วเต็มทีวินัยก็พูดให้ฟังทุกวันตหรับตําราก็มีไว้สําหรับดูที่หอรถห้องสมุดสลานาราชมีครบทนอะไรก็มีทุกอย่างถ้าเราสนใจสิอย่างเดียวเมื่อยังไม่รู้รีบดูตํารารีบฟังเสียงแจกลารบันทึกเสียงเดี๋ยวก็รู้ แล้วก็ถ้าว่ายังปล่อยใจว่าไม่รู้ก็สแสดงว่าเราบวชเข้ามาเป็นพระทัตตูปชีวีเปรดไม่ใช่บวชมาเพื่อความเป็นพระเพราะพระทัตตูปชีวีเปรดจะมีชีวิตาอาศัยคนอื่นเขาเลี้ยงนี่เราบวชเข้ามาให้ชาวบ้านเขาเลี้ยงก็สงแสดงว่าต้องการพึ่งแต่การเลี้ยงชาวบ้านไม่ได้ตอบสนองคุณงามความดีของชาวบ้าน ที่เขาต้องลำบากยากไร้นำาอาหารการบริโภคนำสถานที่อยู่นำผ้าพ่อนทัวบายยาราักาลรกกระแสไฟน้ำใช้ให้แกเ ร, รานี่เราเราไม่เคยสนองความดีเขาเลยเส้นแดงว่าพวกเราก็เป็นประรัทัตโตะไปชีวีเปรตไม่ใช่เวมานิกะเปรตจำให้ดีนะ ที่พูดนี้พูดให้จำแล้วก็พูดให้ทาพูดปฏิบัติในปฏิบัติให้ได้ความดีแล้ว <c oughs> เขาได้โปรดทราบว่าที่นี่จะเลือกไว้แต่คนดีเท่านั้นแล้วก็คนที่มาตามระเบียบไม่ใช่อยู่ๆจูโจมก็มามาแล้วบอกไม่รู้เนี่ยขวารังกลางบราษานี่นไล่กันบ้างต่อที่นี้ไปก็ฟังมหาสติปัฏฐ า, านสุร ตอนนี้ไปก็เห็นจะเป็นอะไร่ะเป็นสัมปชัญญบับสัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวฟังไม่เป็นข้อข้อในตอนนี้แปลจากระบารีว่าปุณณะจปรังพิกเวพิกขุไม่ต้องว่าบาลีว่าระเก ก, กะเปล่า ว่าเป็นภาษาไทยแปลจากบาลีจำนวนมันมันสัเคาะหน่อยนะฟังยากนิดแต่ก็ต้องว่าไปเพราะจะว่าจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าฉันว่ามาว่ายัางไงประเดี๋ยวจหาว่าเรื่องคําสอนนี่เป็นของผมแท้เองเลยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าผมไม่เอาเลยผมไม่อยากจะตกนรกต้องการเพียงเท่านี้แหละต้องการให้ท่านรู้ว่าที่มาพูดนี่เป็นของพระพุทธเจ้า ตามบาลีเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุพิสุย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะคือความเป็นผู้รู้ทั่วพรอ้องจำให้ดีนะสัมปชัญญะนี่แทนแปลว่ารู้เป็นผู้รู้ทั่วแล้วก็รู้พร้อมรู้ตลอดเวลารู้ทั่วทุกอย่าง ไม่ใช่รู้แต่ละอย่างอะไรมันจะเกิดขึ้นในกรณีใดตามมารุมของเรารู้หมดมีการละมัดจวางอยู่ตลอดเวลาคำว่าเผลอไม่มีคำว่าไม่รู้ไม่มีนี่เท่าไห อ, อย่างนี้นะนี่เป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านบอกว่าเย่ก้าวไปข้างหน้า หรือว่าจะถอยกลับมาข้างหลังเราก็ารู้ในการที่แลไปข้างหน้าจะเหลี้ยวไปข้างซ้ายเหลี้ยวไปข้างขวาก็ารู้รู้ว่าเรา เ, ล, ววาาเลี้ยวข้ซ้ายเลี้ยวข้าขวาบางคนเหลียวแล้วไม่รู้บางทีก้าวไปตั้งร้อยก้าวพันก้าวใจไว้ในนึกว่าขามม่ก้าวแบบเอาใจส่งไปอืน่นแต่ที่นี้จะบอกต้องรู้อยู่ตลอดเวลา ในข้อต่อไปในว่าย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะคือความรู้ทั่วพร้อมในการที่จะคู่แขงเข้าแล้วก็เหยียดแขนออกแล้ก็เป็นผู้รู้ทั่วพร้อมในการที่จะทรงผ้าสังคติเวลาที่จะผ้าสังขติผ้าก็รู้เวลาจะถือบาตรก็รู้จะรู้แล้วก็รู้ว่าถือบาตรอยู่แล้วหรื อ, อยังไม่ได้ถือ เวลาจะห่มจีวรก็รู้ถ้าท่าบอกต่อไปว่าย่อมรู้พร้อมในการกินในการดื่มในการเคี้ยวในการแตะลิ้นนล้วก็รู้พร้อมทั่วในการที่จะถ่ายในขณะจะถ่อุจาระนละปั ส, สวะย่อมรู้ทั่วพร้อมในการขณะที่เดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่หลับอยู่ตื่นอยู่พูดอยู่ หรือว่าเป็นผู้นิ่งอยู่ก็รู้ที่ตอนนี้เป็นสมถภาวนานี่มาว่ากันด้านสมถภาวนาซิก่อนเป็นอันว่ารวมความว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในสำเพ็ญชัญญบัปในด้านของสมถภาวนา ทันให้ทำสติสัมปชัญญะคือสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้เดินรู้นอนรู้กินรู้นั่งรู้ก้าวไปข้างหน้ารู้ก้าวไปข้างหลังรู้หยิบบัตรรู้อะไรทั้งหมดนี่เป็นอันว่ารู้เป็นการทรงสติฝึกไว้เพื่อสติมันมีความว่องไวสัมปชัญญะมีความรู้ตัว แปลว่าสำหรับพวกเรานี่เรียนกันมามากแล้วนี่ถ้ารู้เท่านี้ก็น่ากลัวจจแย่หรือบางทีเท่านี้ก็ยังไม่รู้ซกตั้งเยอะแล้วมั้งเวลาจะเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าฝารู้หรือเปล่าจะเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังรู้หรือเปล่าบางทีไม่รู้เลยและจะคู่แขนเข้าคู่แ ข, น, ข, แขนออกรู้หรือเปล่าบางทีไม่รู้ ไม่ใช่บางทีละผมว่ามากทีเลยทีเดียวที่พวกเราไม่รู้ทำกันอย่างชนิดที่เรียกว่าไร้สัมพัญธยามาตลอดเวลานี่ก็มีมากที่ผมไม่ได้บรร n ามคนทุกคนพูดเฉพาะคนที่ไม่ได้สนใจในจริยาของตัวเองที่จะรู้ได้ก็มีอาการความหยาบที่ปรากฏออกมาจากทางปากของตนบ้าง จากอาการกายของตนบางจากเสียงของตนบางพูดออกมาไม่รู้ว่าพูดอะไรดีหรือไม่ดีดีหรือชั่วไม่รู้ควรพูดหรือไม่ควรพูดไม่รู้กิริยาที่สแสดงออมาไม่รู้ว่ามันดีหรือมันเลวนี่สำหรับพวกเราควรจะรู้อะไรรู้ตอนนั้นเพราะว่ารู้เล็กรู้เล็กก็คนรู้ ก็ควรจะรู้อยู่เสมอว่าวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นทิงหลับนิวรณ์ห้ารายการมันกินใจเราไปมัางหรือเปล่านิวรณ์ตัวไหนไม่กัดใจเราเข้าไปบ้างมีไหมหรือว่าสังโยชนิสประการตัวไหนที่กามารัดรึงใจเราบ้างหรือเปล่านี่เราต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา เจรณะสิบห้ามีศีลสมธาเป็นต้นมีเจตุตชารเป็นอีสุดเรามีอารมณ์ครบถ้วนไหมนี่ต้องมีสมัชัญญะรู้ไว้ด้วยบารมีสิบรายการเราบกคร่องบ้างหรือเปล่าไอ้ครว่าบกคร่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่ไปนั่งท่องนะให้ทรงอารมณ์ไว้ในใจ ทานบารมีอารมณ์ใจเตรียมพร้อมในการที่จะให้ทานศีลสัมปทาศีลบารมีหรือว่าศีลสัมปทาพร้อมที่ทรงการรักษาศีลไม่บกพร่องคือสิขาบทสองรอยี่สิบเจ็ดสำหรับพระสำหรับเนนสิขาบทสิเกเษีพีวัตเจ็ดสิบห้าสำหรับคราวาจกรมวิสิขาบทแปหรือว่าสิขาบทห้า ทุกอย่างไม่ใช่ว่าท่องจำจิตต้องทรงไว้พร้อมตลอดเวลาแล้วเป็นมองดูที่บาดสีมีไหมครบถ้วนในใจไหมไปดูติรไฉชาในคาถ า, าวาจาที่ชอบดินทายคนน้นชอบเสียสีคนน้นยอว่าคนน้นยุมว่าคนนี้ คนนั้นดีคนนี้เลวประรแูแหมคนนั้นสวยจริงน่ารักคนนี้น่าเกลียดคนนั้นเสียงเพราะคนนี้เสียงไม่ดีคนนั้นทําดีคนนี้ทําไม่ดีว่าเฉียดสีสิ่งอะไรกันซึ่งมันเป็นวาจาของสัตว์นรกเนี่ยอารมณ์ของเราเข้าไปข้องใจบ้างหรือเปล่าจิตใจมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างไหม มีรู้สึกในจิตในคาถาที่จิตคิดน้อมบริความนักกรุบเสียงเกลียรถสัมผัสน้อมบริความโลภอยากจะร่ํารวยน้อมบริความโกรธคิดอาคาตมันร้ายจะว่าใครเจ็บใจจะทาให้ช้ําใจน้อมบริความหลงอะไรเป็นอันเป็นราวเป็นของเราแล้วกล่าวมาทางวายใบ้างแสดงทางกายบ้างคิดในใจบ้าง อาการอย่างนี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เศร้าหมองตายแล้วลงนรกที่เราอยู่ในเขตของผ้ า, ากาสา ว, วาพัดจะเป็นพระวาญคนดีพระโกตามเน่งโกตามอารมณ์อย่างนี้ของท่านมีไหมถ้ามีแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ไปนรกได้สบายและสวรรค์ไม่ต้องไป ถ้ายังมีอยู่ถ้ายังแก้กันไม่ได้เตรียมไปนรกแต่ว่าก่อนที่จะไปนรกบางทีจะต้องถูกขับออกจากวัดนี้ก่อนเพราะที่นี่ก็ไม่ต้องการสัตว์นรกก็ไว้เปลืองวัดเม้งบ่าเม้กันเพื่อสร้างความ ร, าร่ารรอนให้เกิดจากสถานที่อยู่ <c oughs> เป็นอันว่า ร, รู้นี่เราต้องรู้รู้ว่านี่อารมณ์ชั่วมาจากนิวรณ์ห้า มาอารมณ์ชั่วมาจากอารมณ์แห่งมตช้าทิฏฐิอารมณ์ดีมาจากจรณะสิบห้าอารมณ์ดีมาจากประมีสิบรายการอารมณ์ดีที่เรามีกําลังต้านทานด้วยอำนาจของอิทธิบาทสี่อารมณ์ก็มีความดีเพราะเราไม่ยุ่งในธิระชาในคาถาอารมณ์เราไม่มีความกังวลด้วยวัตถุด้วเสียงที่มีชีวิต คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดมาแล้วก็ต้องสลายตัวไปไม่มีอะไรทรงตัวนี่เป็นเรื่องของสัมปชัญญะที่เราจะต้องเพื่งปฏิบัติแล้วก็มีความรู้สึกยูว่าเราเวลานี้เราทรงเพศเป็นสวรนระต้องรู้ตลอดเวลาทำหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทธ์ีเข้ามาอยู่ก็ต้องทราบว่านี่เป็นเตของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่เขตของชาวบ้านที่จะมาสร้างความยุ่งความยากจะสร้างความเดือดร้อนในเขตมึงไม่ถูกก็กูกักูไม่ถูกก็มึงอย่างนี้มันเป็นเจริยาไม่ใช่เจิยาของคนในเขตพระศาสนามนุษย์ชันดีตั้งแต่ประสดาบันขึ้นไปและผู้ส่งชายเขาไม่ตรงการ อาการเช่นนี้มันเป็นอาการเขาติเลีานฉนในคาถายนั่นเป็นอาการของสัตวติเลียนันนั่นเองเพราะสัตติเลียนฉันนี่มันไม่เคารพสิทธิสิ่งใดกันมันอยู่ด้วยกันด้วยความรักแต่เวลามีอะไรจะมามันก็แย่งกันกินกัดกันกินแล้วก็มันก็มีทะเลาะเบาแวงกันเป็นปกติอาการอย่างนี้แปลกายของสัตวติเลียนฉันไม่ใช่อาการของคนดี การอย่างนี้เราต้องรู้ว่ามันจะต้องไม่มีในจิตของเราสมัชัญยะต้องรู้ตัวไว้เสมอนี่ว่ากันในด้านสมถะ ภ, ภาวนาแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวต่อไปถึงด้านวิปสัสสนาภาวนาก็ทรงกล่าวซ้าําๆว่าในเมื่อบิดิ้อย่างนี้แล้วท่านบอกว่าพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจรารณาแห้กายในกาย เป็นไปในภายในบ้างย่อมพิจารณาในกายเห็นเป็นไปภายนอกบ้างย่อมพิจัยเหนกายในกายเป็นทั้งภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างหรือ ก็หรือสติมีก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่ข้าวไว้ตั้งอยู่เฉพาะหน้าเก่เือนั้นแต่เพียงเดินศึกว่าเป็นที่รู้แต่เพียงเดินศึกว่าเป็นที่อาศัยที่ลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่นพนะิุทุทั้งหลายพระพุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเรือ ง, งอยู่อย่างนี้ ตอนทายนี้เป็นวิปาาัสนาญาณเป็นอนันว่าในมหาปฏิปทานแต่ละข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศน์แต่ละข้อทารยิบข้อเดียวแล้วก็น้อมไปในด้านวิปาาัสนาญาณก็ใช้เป็นวิปัสนาสามารถจะใช้กรรมฐานเพียงข้อเดียวในมหาปฏิปทานได้สุด ตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉตประหารเลยตอนนี้ก็เรามาว่ากันว่าท่านว่าพิจารณาให้กายเห็นกายภายในบ้างเห็นกายภายนอกบ้างรวมความว่าในที่สุดไม่เมื่อเราเห็นก็ซื้อถือว่าสักแต่เพียงว่าเห็นเท่านั้นไม่มีใจติดอยู่ถือว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเรา แล้วก็ไม่มีกายติดอยู่ว่าสมบัติในโลกทั้งหมดมันจะเป็นเราเป็นของเราเราวางทั้งกายของเราเราวางทั้งกายของบุคคลอื่นเราวางทั้งทุงทกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดโดยไม่ยึดถือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเราเป็นของเรานี่เป็นอนุว่าถ้าเราทำได้เท่านี้เราก็เป็นพระหลานแล้ว นี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมหาอติปทานนั่นสุดให้เข้าใจว่ารู้อย่างนั้นรู้อย่างนิดนิดหน่อยแล้วก็ผ่านไปท่านลงท้ายด้วยอริยสัจคือว่าเห็นกายในกายในภายในเห็นกายภายนอกข้า น, นอกกายเราในที่สุดเห็นความเสื่อมไปเห็ความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปนี่มันเป็นอริยสัจ ความเกิดขึ้นเป็นที่พอใจของเราความเสื่อมไปเป็นที่ไม่พอใจของเราอาการเสื่อมปรากฏมันเป็นทุกข์เห็นไหมละ่ะแล้วในที่สุดที่เขบอกให้การที่จะปลดทุกข์เส้นได้ก็จงไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดทั้งกายเราเราก็ไม่ยึดถือเอาทั้งกายบุคคลอื่นเราก็ไม่ยึดถือเอาถือได้เพียงว่ากายเนี่ยเป็นที่อาศัยชัวยช่วคราวเท่านั้น ตามที่ผมพูดอยู่เสมออ น, น, นี่ฟังมหาติปฐานท้วคืนก็ฟังอีแบบนี้นะถุกคืนในนวิปาาัสสนาญาณเราว่าพระพุทธเจ้าท่าลงแบบนี้มาตอนสัมัชั ญ, ญาบัปนี่เราจะยึดอะไรเป็นสำคัญท่านบอกจะก้าวไปข้างหน้าก็ ด, กดีจะถอยมาข้างหลังก็ดีจะคู่ซ้ายเข้าเหลียวซ้ายเหลียวขวาก็ดี เรื่มบาดจีวรก็ดีนั่งอยู่ก็ดีกินอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีเรารู้ทั้งหมดให้เราก็เลยรู้ต่อไปรู้ว่าคนที่กําลังนั่งฟังเสียงอยู่อย่างที่เราฟังอยู่นี่ในการก่อนก่อนที่เราจะเกิดมานี้มีบ้างไหม คนเขานั่งฟังเสียงพูดเราก็มีสมัมพััญญะรู้ว่าไอ้เรื่องการฟังเสียงพูดแล้วก็คนพูดเนี่ยมันมีมาตลอดกาลตลอดสมัยนึกเอาสมัมพันัญญาลองเข้าไปรู้อีกว่าเวลานี้คนทงหลายเหล่านั้นอยู่หรือตายไปหมดแล้วถอยหลังไปถึงพ่อเราแม่เราฟังทียังอยู่หรือบางท่านก็ตายไปแล้ว ไปหาปู่ย่าตายายบางคนของคนก็ยังอยู่บางคนก็ตายไปแล้วเอาไปหาถึงท่านทวดแล้วก็ไม่เหลือเลยตายหมดหลังจากนั้นขึ้นไปก็ตายหมดแล้วบอกสือบแต่ ก, กูลเมื่อกี่ชั่วคนเราอาจจะพูด ก, กันได้แต่ว่าต้นแต่ ก, กูลทั้งหลายเหล่านั้นเวลานี้อยู่ที่ไหน ดีไม่ดีท่านเชื่ออะไรบ้างเราก็จำไม่ได้นี่ก็เป็นอนุว่าความเกิดขึ้นมันมีจริงการสลายตัวมันมีจริงแลวก็ท่านนั่งหลเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วนะท่านแบกอะไรไปได้บ้างร่างกายเป็นที่รักของท่านท่านาไปด้วยหรือเปล่าทรัพย์สินนั่งหลที่นั่นหามาด้วยความเหนื่อยยากท่านาไปด้วยหรือเปล่า คิดเอาตามใจตามรงก็แล้วกันเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความเปล่าทั้งนั้นสิ่งที่ท่านนันไลจะนำไปได้ก็คือความดีกับความชั่วที่ติดใจของท่านไปนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนารองรับว่าชาติวิถีขายความเกิดมันเป็นทุกข์ เมื่อเราเกิดมาคราวนี้แล้วมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราจะต้องเกิดต่อไปเราก็ต้องประสบกับความทุกข์อย่างนี้อีกเชราวิทุขาความแก่เป็นปัใจจัยให้เกิดความทุกข์มรณะพิทุขังการเข้าก้าไปสู่ความตายมันเป็นทุกข์เพราะเราไม่อยากตายเอาสามทุกข์เท่านี้ก็พอ เป็นอนุภาพสภาพที่มีปัจจัยให้เกิดความทุกข์มันยังต้องเกิดเราก็ต้องมีทุกข์นพระพุทธเจ้าให้รู้ความเกิดขึ้นของร่างกายและความเสื่อมของร่างกายที่นี่มันก็เป็นสกายตทิฏฐิในสังโยชน์นี่เองความจริงนะ่ะการตัด ก, กินเหล็เขาตัดด้วยสกายาทิฏฐิตัวเดียว ในเมื่อร่างกายมันเกิดขึ้นความเสื่อมมันปรายกแใะการสลายตัวปรายกฏถ้าเราจะ ย, ยึดถือร่างกายอยู่ต่อไปเราก็ต้องเกิดแบบนี้ในองค์สมเด็จพระจีนศรียังทรงแนะนาว่าเธอจงเห็นร่างกายทั้งหมดก็เพียงแต่สักก็เห็นถ้าว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีอยู่เราก็คิดว่าสักแต่เพียงว่ามันมีอยู่เท่านั้น เราจะไม่ยึดถือว่ายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันเป็นเรือนร่างสําหรับที่เราจะพึงอาศัยชั่วคราวเท่านั้นไม่ช้ามันก็พังมันพังแล้วเราก็ต้องไปก่อนที่จะไปเราก็ไปอย่างราชสีไม่ใช่ไปแบบหมูติดจัน คำว่าหมูติดจันก็หมายความว่ากินเลืดยังมีอานาจเหนือเหนือเราอยู่ถึงแม้เราจะไปได้จากสภาวะนี้เราก็ต้องต้องไปเกิดไปหาความทุกข์ความลำบากอีกเราไปอย่างราชสีก็คือว่าเราไม่ติดอยู่ในกายนี้แล้วเห็นว่ากายนี้เป็นปัจจัยที่ความทุกข์เห็นว่ากายนี้เป็นปัจาาปปใจัยให้เกิดอาการทรมาน เห็นว่าร่างกายนี้เป็นปัจจัยจะให้จิตใจสมองถ้าเรายิดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราแล้นอกจากร่างกายนี้สัตว์วัตถุในโลกทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราจริงๆไม่เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยจริงๆรวงกำลังกายดวงกำลังใจทำ ส, สมัชัญญะรู้ไว้ว่า ขึ้นชื่อว่าร่างกายที่ประกอบด้วยขันห้าอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปเรามีความเรามีร่างกายถือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติ ต, ต่อไปไม่มีเราจะยึดถือพราบาลีที่ตั้งใจไว้ในตอนต้นว่านิพานสสะสจิกยายะเอตังกาสาวังเกตวา ซึ่งเราปฏิญาณไว้ว่าเรารับท่ากาสาวะพัฒนแล้วเราจะทำให้แจ้งสิ่งผิพานคิดเราที่ต้องการก็คือผลิพานอย่างเดียวคิดอย่างนี้แล้วก็เหลียวเข้าไปดูบารมีสิบประกอบไปครบถ้วนไปดูจรณะสิบห้าพยายามทำให้ครบถ้วนไปดูนิวรณห้ารายการทำลายให้สิ้นซากไป ในก็เป็นไปดูอธิบาทสิบรายการควกคุงกําลังใจด้วยอธิบาทให้โค้กทนเราก็จะมีกําลังทําลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉทตะระหารได้ในที่สุดเราก็เป็นระหันพระอรหันเข้าถึงวิญญานอร บ, บัรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาการที่จะแนะนํากันก็หมดเวลาเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย จงทรงกายตามอัติยาสัยของท่านใช้าการพิจารณาและภาวนาจะยิงกุดีจะเดินกุนดีจะนั่งกุดีจะน อ, อนกุดีให้เป็นไปตามอัติยาศัยพวกคงมกำลังใจอยู่ในขอบเขตึองความดีที่กล่าวมาแล้วจนกว่าจะถึงลาสงคนของท่านสวัสดี